ไม่มีจริยธรรมที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนะี่ยควรจะสอนไม่ใช่สอนให้แต่ความรู้อย่างเดียวควรสอนจริยธรรมคือความประพฤติด้วยหลวงพ่อว่านะ่ะแต่ทุกวันนี้โดยมากมีแต่สอนกันวิทย์กนันเนตอังกฤษมีแต่สอนเรื่องความรู้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 เพ ม, มันออกนอกรูนอกทางไม่มีจริยธรรมพองพากันบนเดือดร้อนเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้สอนสิ่งควรไม่ควรนะหลวงพ่อว่าเนี่ยความรู้คู่คุณธรรมมันต้องไปด้วยกันคุณธรรมคํานี้น่ะคืออะไรคุณธรรมก็คือสอนความประพฤติแต่เดี๋ยวนี้พวกเรามีแต่สอนวิธีฝนมีดนะ